สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องห้องข้างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณเนยพึ่งย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เป็นแบบห้องแถวชั้นเดียวมีทั้งหมด17ห้องส่วนใหญ่คนที่มาเช่าห้องแถวนี้จะใช้เพื่อเปิดร้านมากกว่ามีร้านทาผม ร้านชำอะไรพวกนี้คุณเนเข้าไปอยู่แรกๆก็ยังไม่มีอะไรอยู่ๆไปก็เริ่มสนิทกับร้านทำผมที่อยู่ห้องติดๆกันข้างหลังบ้านนั้นจะเป็นที่ล้างจานซึ่งกั้นห้องเอาไว้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งเป็นเหล็กดัดแค่เค ย, ยงนิดเดียวก็มองไปเห็นห้องที่ติดกันได้แล้วเวลาคุณเนล้างจาน แล้วร้านทำผมออกมาหลังบ้านเหมือนกันก็จะทักทายพูดคุยกันร้านทำผมนี่เสียอยู่อย่างคือคนที่เป็นผัวชอบเมากลับบ้านมาทะเลาะกับเมียเสียงดังเป็นประจำวันหนึ่งเน่ก็ได้ไปสะผมที่ร้านนี้แล้วจะทำสีต่อแต่คนเป็นผัวก็มาที่ร้านแล้วกระชากเมียออกไปทะเลาะหน้าบ้านอยู่ครู่หนึ่งเน่รู้สึกไม่ค่อยดี ก็เลยขอตัวกลับก่อนแล้วพอเข้าห้องมาก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทปรากฏว่าแม่เพื่อนเสียเน่ก็เลยไปช่วยงานเขาและค้างคืนอยู่ที่นั่นอยู่ถึง6วันพอเสร็จจากงานศพก็กลับมาถึงห้องเช่าประมาณสองทุ่มวันนั้นในซอยเงียบผิดปกติมีแค่วงเล่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องเช่านั่งกินกันอยู่ ร้านที่เคยเปิดทำการจนถึงดึกดื่นพากันปิดหมดปิดแบบไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเนยก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเดินมาถึงห้องตัวเองก็มองไปที่ห้องข้างๆที่เป็นร้านทาผมห้องนี้ก็ล็อกเหมือนกันแถมมีจุดๆเหมือนหยดเลือดแห้งๆอยู่หน้าห้องด้วยก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆแล้วเน่ก็เข้าห้องไป ตุลปรมามสี่ทุ่มก็มีเสียงคนเปิดประตูห้องข้างๆน่าจะเป็นเสียงจากร้านทำผมก็เลยอุ่นใจขึ้นมากเลยลุกไปเข้าห้องน้าที่หลังห้องพอออกมาจากห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเนมาจากร้านทำผมเนะก็เลยชะโงกหน้าไปมองเนะสะดุ้งสุดตัวเพราะเห็นหน้าพี่ร้านทำผมโผล่พวดมาเหมือนกัน แต่โล่มาแค่ครึ่งหน้าเห็นแค่หน้าผากถึงจมูกแล้วทางนั้นก็ไม่ได้เปิดไฟซะด้วยพี่ร้านทําผมชักชวนให้มาทําสีผมต่อให้เสร็จเพราะกําลังว่างอยู่พอดีแต่เนเพิ่งกลับมาเกิดเลยไม่ค่อยอยากจะทําอยากพักผ่อนก็เลยปฏิเสธไปเนก็ถามกลับไปว่าพี่ไปไหนมาเพิ่งกลับมาเหรอทางนั้นก็ตอบมาว่า แฟนพี่มันขังพี่เอาไว้ในนี้ทำเสียงแบบสะอื้นสะอื้นช่วยพี่ด้วยเนก็เลยเดินไปที่หน้าบ้านก็เห็นว่าห้องนั้นถูกล็อกอยู่จริงๆก็เลยตะโกนเรียกวงเล่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามให้มาช่วยเปิดห้องพอได้ยินดังนั้นวงเล่าก็หันไปมองแบบอึ้งๆแล้วก็มีคนหนึ่งในนั้นกวักมือเรียกเนพอเนไปถึง ก็กระซิบให้เนฟังว่าน้องห้องแถวตรงนั้นเขาไม่มีใครอยู่กันแล้วนะเจ้าแอนเจ้าของร้านทําผมมันโดนผัวเอาไขควงแทงคอตายไปสามสี่วันแล้วเนก็ตกใจน้ำตาเริ่มไหลแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเมื่อกี้อะไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างพอเล่าจบ ก็มีคนนึงในวงเล่าเล่าว่าห้องข้างๆร้านทำผมอีกด้านหนึ่งก็เคยโดนเหมือนกันโล่มาแค่ครึ่งบนของหน้าแล้วก็คุยคุยไปแล้วหน้าก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงจนติดเพดานเลยพอเนรู้อย่างนั้นก็ให้คนพวกนั้นไปเป็นเพื่อนแล้วก็เก็บของย้ายออกไปเลยและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ